จิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรงุงหมายนั่นหมายนี่รื่อนยาตั้งแต่จิดหายเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตเป็นมีมากมายกายกองมากขึ้นกนเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การตะแก้จิตให้มีเรื่องอ น, น้อยลงไปโดยลำดับและให้มีคั ด, คดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด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 พ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูบอาจารย์ก็มีกต่สยาภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทเจดีพระพุทธจาเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาั้นก็นยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกนังปฏิบัติตนผ้นไปได้โดยลำดับนี่ท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัตว์จะท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 นักสัธจธรรมคือทุกขอ่าเรายกทุกขสั์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศขนของกิเลสอย่างโดยหยึ่งตรงๆร ง, งทิศประกาศกลางวานันหรือทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอเห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยนประกาศอยู่กับัต่คนทั่วๆไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิดจังปัทเธติเตติ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 มันก็มีเป็นเรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเี่ยแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกังวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็นมไปด้ยทุกเป็นไปด้วยสรรัจธรรมการสัจะทําคือทุกขศาสต ร, ร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสต ร, ร์ก็ได้แต่ตัวพิเลตที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา